พระธรรมเทศนาแผ่นที่53ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่8สิงหาคม2556ณวัดหนองกอแก้วจังหวัดบุรีรัมย์มีชื่อเรื่องว่ามาเกิดถูกที่แล้ว คณะทาญาติโยมลูกหลานถ้าใครจะถ่ายรูปที่มีแฝดของงดไปก่อนเนะ้ะแล้วก็ถ้าว่ามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น mm hmm. ก็ให้ออกไปคุยกันข้างนอกหรือว่าปิดโทรศัพท์ไว้ก็ดีในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่ฟังธรรมหาได้ยากที่พวกเราจะมีโอกาสอย่างนี้โอกาส ร, รับโทรศัพท์มันมีตึงเยอะแยะไปถ้ามันจะรวยมันก็คงจะรวยมาพอแรงแล้วล่ะ ช่วงนี้ให้ปิดไว้ก่อนไม่ปิดไว้มันเสียงรบกวนคนอื่นเขาเสียสมาธิในการฟังแล้วก็เสียสมาธิในการหลวงพ่อจะพูดให้ฟังอีกต่างหากเพราะนั้นขอให้ลูกหลานอยู่ในความสงบประตั้งใจฟังถ้าฟังตั้งใจฟังแล้วก็จะเกิดประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวไว้ว่า ผู้ฟังทมยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจจึงนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังใจของผู้ฟังได้ฟังอัดฟังทมได้ฟังหลักเหตุผลใจของเราก็จะได้รับความสงบผ่องใส อั น, นอในโสแห่งการฟังธรรมแล้วก็สุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วก็ จะเกิดปัญญาที่แท้จริงเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะตั้งใจฟังในช่วงที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังฮะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาคณะสัตยาญาติโจมก่อนอื่นหลวงพ่อจะปรารบเรื่องว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษามาได้เพียง17วันวันที่16ที่ผ่านมาก็เป็นวันพระแรมแปค่า คือเข้าพรรษามาได้15วันวันนั้นยังไม่สายจากเจ้าจะให้พวกเราคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนไม่ว่าพระคณะสัตย า, า, า, าติยมพระเนนทุกคนทุกองค์ด้วยว่าในพรรษานี้2556นี้ข้าพระเจ้าจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ กับตนเองให้มากที่สุดอย่างข้าพเจ้าตื่นนอนมาแต่เช้าข้าพเจ้าจะไหว้พระทำวัดทุกวันไม่ให้ขาดตอนเย็นข้าพเจ้าจะทำวัดทุกเย็นไม่แห้ขาดเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทก่อนหลับนอนตื่นนอนที่จะไปทำการทำงานพวกเราควรจะไหว้พระสวดมนต์ซะก่อน เป็นศิริเป็นมงคลสําหรับตัวเองเวลาไหว้พระอรหังสวากขาโตสุปฏิปโนอิสติปโสจากนั้นก็แผ่เมตตาอรหังสุขิโตโหม m ิทาไม่ได้อาหารสุขิโตกับแผ่เมตตาเป็นภาษาใจของพวกเราข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่น ทั่วใตโล ก, กธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพระเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพระเจ้าปรารถนาทุกๆดวงใจทุกๆวิญญาณด้วยเทอรอันนี้ก็คือแผ่เมตตาให้ทั่วถึงเราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองเราจะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตกับใครๆทั้งหมดในพื้นปตัตตพีเนี่เพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่า ถ้าหากว่าพวกเรายังมีการจองเวรกันอยู่เวรจะไม่ละงับชาตินี้ใช่เราเอาชนะเขาได้แต่ชาติหน้าอ่ะเขาจะต้องชนะเราใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราจะไม่ขอจองกรรมจองเวรกับใครๆทั้งหมดเรายินดีให้อาหสิกับทุกวิญญาณแลงนั้จะได้จองเวรซึ่งกันและกันนี่แหละก่อนนอนเราก็แผ่เมตตาจากนั้นเราก็ตื่นนอนมาแล้วก็ ไหว้พระเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาอีกก่อนที่จะไปทําการทํางานอันนี้ก็คือเราจะไม่ให้ขาดตั้งแต่บัดนี้แล้วถึงแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงออกพรรษาเราตั้งจิตอธิษฐานต่อพระประธานที่วัดน้องเกาะของเรานี่แหละจากนั้นเราข้าพเจ้าทามากกว่านั้นนะข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาดวันละ20นาที30นาที ไม่ให้ขาดในสมเดือนนี้ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนได้ยินแต่นั่งภาวนาเอาแต่ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมในสามเดือนนี้ไม่ให้ขาดอันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายจากนั้นต่อมาก็ข้าพเจ้าจะงดบุรี่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะงดสุราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะงดอบายมุก เออเล่นหวยเล่นเบอร์อะไรก็ตามทํามันจะรวยมันก็รวยมาปอแรงแล้วอะทําให้จิตใจของเราก็เพื่มเล่นเฉยๆเอาเถอะข้าพเจ้าจะงดทดลองดูสิมันจะเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สาหรับตนเองแต่ถ้ามากกว่านั้นเออข้าพเจ้าในพรรานี้ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนยังไม่เคยคิดเลยว่าจะทําจะตักบาตรทุกวันอะเอาพรรานี้ข้าพเจ้าจะตักบาตรทุกวันไม่ให้ขาด อย่างนี้เป็นต้นแต่เป็นข้าราชการโอ้ข้าพเจ้าข้าคงไมไ่ไหวล้วใส่บาตรทุกวันตื่นสายแล้วก็พระบิณฑ บ, บาตข้าพเจ้ากว่าจะตื่นมาได้เสียเวลาไม่ทันแหละตัวนี้ยากมากแต่ข้าพเจ้าอยากจะทำยุกถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เรามีวิธีที่จะทำบุญตักบาตรมนพบว่าเอา้า เรามีหมูหมากาไก่กระปุกขึ้นมาเออวันนี้เราจะใส่บาตรหลองพ่อทรงของเราวัดก่อแก้วเอ่อพระกี่องค์เราจะทําบุญอะไรเอ่อนมเอ่อองละกลองเราก็เอานับสตางค์แล้วก็หยดลงไปในกระปุกเออข้าพระเจ้าจะถวายกล้วยเตี๋ยวอ่าวันอทิตย์นี้กี่องค์สี่องค์ หรือหองค์เราก็เอาจตุปปัจจัยใส่เข้าไปเราจะถวายกี่วัดเอาทั้งเจ้าคณนะจังหวัดด้วยทั้งวัดไหนที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใส เ, เราก็ใส่เข้าไป เ, าเราตีติดข้า ง, ข, างข้างเอาไว้เมื่อออกพรรษาแล้วเรานําจตุปปัจจัยไปถวายท่านเอออันนี้ปัจจัยใส่บาตรในพรรษ า, อาขอพระคุณท่านเป็นค่าอาหารพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาต่อไปล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราฉลาดในการทำบุญนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ฉลาดในการทำบุญแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในการทำทานซะอีกพวกเราก็ไม่ได้บุญละ ว, วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าอันนิสงทานไม่ใช่ธรรมดาถ้าเราไปอยู่นสถทานที่ใดคนที่มีอั น, นิสงทานดี เกิดในพบใดชาติใดจะไม่อดไม่อยา ก, การทำมาค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองไหลมาเทมาเพราะอะไรเพราะอนิสงทานแต่ว่าคนไม่มีอนิสงทานอยู่ในตัวของเราแล้วทำอะไรก็ตกตกหล่นหลนขาดขาดเคลื่อนเคลอนอันนี้หลงตามหาบัวท่านเคยบอกกล่าวแนะนำศิทธิญาณุสิทธิของท่านเพราะนั้นขอให้พวกเราคิดไว้ในใจเสมอว่าการทาทาน เป็นหนทางแห่งความร่ารวยเป็นหนทางเจริญทางโพกซับเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดดูนะในพรรษานี้หรือไม่หรือว่าตั้งใจไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันก็ให้พรรษาหนาในเมื่อเราไหว้พระทุกวันทั้งกนอน่อนนอนตื่นอนแล้วก็งดบุหรีงดเหล่าแล้วก็งดอบายามกุก รวนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีทำบุญตักบาตรทุกวันนั่งภาวนาทุกคืนวันหนึ่งพอออกพรรษาแล้วกันมาขอรับพรจากพระพุทธมหาโมนีชัยมงคลที่วัดน้องเกาะของเราพอเราตั้งจิตอธิษฐานที่นี่ด้วยบุญด้วยกุศลที่ข้าพเจ้าได้ประกอบคุณงามความดีต่อหน้าพระพักตต่อพระพุทธปฏิมา ดวยบุญกุศลขอคุ้มครองข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าหายจากการมีปัทธวภัยทั้งหลายที่เรื่องทั้งหลายที่ทุกใจของข้าพเจ้ามีอยู่เรื่องนั่นเรื่องนี้ขอให้ผ่านรุ่ร่วงไปด้วยดียัยได้มีอุปสรรคสุขอย่างขอให้ราบรื่นในการดํารงชีวิตของข้าพเจ้าด้วยเทอนินในเมื่อเราทําดีแล้วก็มาขอพรจากพระพุทธะ ปฏิมาไม่ใช่ว่าไปวัดไหนก็ขอพรปลกปลกทั้งกินเหล้าง้อฟัดง้อเวียงเแล้วก็ไปขอพรวัดนั้นวันนี้จะไปขอพรได้ยังไงตัวเองไม่ทําคุณงามความดีซะก่อนตัวเองต้องทําความดีซะก่อนจึงขอพรมันจึงจะถูกตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้า เ, เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกท่านนะที่พูดให้ฟังทางนี้นําไปคิดนําไปพิจารณา แล้วก็นําไปปฏิบัติถ้าเห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมน ะ, ะต่อเ น, นี้ไปตรงพ่อจะเป็นผู้แสดงธรรมตั้งใจฟังนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปติรูประเทสวาโซจะปุเพจกะตะปุญญาตาอัตสัมมาปนิธติตีติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งท่านหลวงพ่อ ทรงของเราวัดหนองกอแก้วของเราปรารภการทำบุญหรือว่าการจัดงานปรารภถึงโยมพ่อของท่านที่มรณภาพในวันที่เคือวันนี้พร้อมกันกท่านปรารภว่าปีเกิดของท่านวันที่9สิงหานี่เองอยู่ใกล้ๆเนี่ย วันนั้นทั้งสองวันจวบ ป, ปอกท่านจึงได้จัดงานขึ้นมาแล้วก็อายุของท่านก็ห้าสิปีปีพรรษา38ก่อก็นับว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ในถิ่นนี้สมัยหลวงปู่ล่าอยู่ภูเจก็ท่านเพียง11พรรษาท่านเองนะอาณาาญาติโยมที่ท่านออกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตา ท่านมาจำพรรษาที่ปูเจา ก, กอดพรรษาท่าน11พรรษาเท่านั้นเองทำไมหลวงพ่อจึงรู้จึงจำได้แม่นก็เพราะว่าหลวงพ่ออายุ11ปีก็มาบวชกับท่านอายออุท่านเท่าไหร่พรรษาหลวงพ่อก็เท่านั้นถ้าหาว่าหลว ง, งปู่ล่ายังมีชีวิตอยู่กระทั่งเดียวนี้ท่านก็อายุพรรษาของท่านก็คงจะ6กสิบเกาพราะหลวงพ่อ69ปี วัน น, นั้นในขณะนั้นหลวงพ่อ11ปีหลวงปูล่ลาก็1ิบรษาเพราะันั้นท่านถ้าจะว่าไปถ้าเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์รุ่นน้องๆของหลวงพ่อเนี่ยล้วนแล้วแต่20 30เกือบ40พันษาทั้งนั้นอย่างหลวงพ่อบุญทันอย่างนี้ป่าเข้าไป40กว่าพรรษาแล้วเพราะนั้นล้วนแล้วจะเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่พวกเราได้กราบได้วาได้เคารพ สักการบูชาท่านขอปฏิบัติตนมาอย่างเข้มงวดกวดขันของท่านเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทาญาติโยมทุกทุกท่านได้บำเพ็ญการกองการกุศลมาบำเพ็ญในวันนี้กันับว่าเป็นการมาบำเพ็ญเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลสำหรับพวกเราทุกทุกท่าน ถ้าหากว่าในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกกล่าวย้ําเตือนพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเพราะชีวิตของพวกเราไม่มีใครรับประกันได้ว่าชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่ยืมวันอยู่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะเสด็จออกบวชออกทรงผนวดท่านก็เห็นคนแก่ คนเจ็บคนตายก่อนที่จะบวชท่านเห็นแล้วก็เกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากท่านก็น้อมนึกไปถึงปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของท่านไปไหนหมดก่อนร้วนแล้วแต่ล้มหายตายจากไปหมดก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงที่สุดก็ถึงท่านเองเ อ, อ, อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อก็ระลึกถึงเหมือนกัน หลวงพ่อคูณสุเมโทที่เป็นสหธรรมิกของหลวงพ่อท่านบวชที่หลังหลวงพ่อเพราะท่านบวชอายุมาก20กว่าพรรษาแต่หลวงพ่อบวชอายุ20่สิบบวชท่านแก่กว่าปีหนึ่งท่าน70ปีนี้ท่านก็จากไปแล้วแล้วก็หลวงพ่อพจน์กาลังจะประชุมเพลิงวันที่10ที่จะถึงเนี่ย วันนี้ก็เป็นวันที่8วันที่10ที่จะถึงนึกประชุมเพิงหลวงพ่อประจนก็อายุกระเจ็ดสอย่างที่ว่าอีกปีนี้รู้จึงว่ารุ่นลุ่นของหลวงพ่อนี่จากไปหลายองค์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็ต้องมองซ้ายมองขวาอีกเหมือนกันชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวย้ำเตือนคณะทายาทโยมทุกหมู่เหล่า เพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้หนีออกไปทรงผนวดไปบวชอยู่ในป่าไปบําเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดคล้ายๆกับว่าไปทดสอบดูจะทํำยังไงจึงแก้จะแก้ไขที่จะหลีกเล้นออกจากความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีหนทางไหมนี่แหละที่ท่านไปทดลอง เหมือนกับไปทดลงองวิทยาศาสตร์หรือว่าทดลองการเกษตรอันนี้เป็นการทดลองจิตวิทยาจิตจิตธรรมือว่าหาทางหลีกเล่นที่จะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกมีไหมนี่แหละพระพุทธองค์ได้ไปค้นคว้าศึกษาถึงหปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดทั้งที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนีจากเวียงวัง ออกไปอยู่ในป่ารงพงไพ่ยิ่งกว่าสามัญชนอีกต่างหากเพราะไม่มีครอบครัวอยู่ตามลําพังบินทบาทการเลี้ยงชีพก็ต้องบินทบาทมาฉันเขาให้อะไรก็ฉันอันนั้นทั้งที่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านมีความอุตสาหะวิริยะท่านกลัวตายถึงขนาดนั้นพูดง่ายๆนะท่านกลัวความแก่ความเจ็บความตายท่านกลัวอย่างมากจากนั้นท่านก็ไปอยู่บําเพ็ญถึง6ปีจนถึงวันเดือน6เพนท่านได้ ตัดสุรูเป็นพระ อ, อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพน่านทํำยังไงไออันนี้เราเปรียบเทียบพระพุทธองค์ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเป็นแบบฉบับหรือเป็นตัวอย่างพระ อ, องค์ในวันนั้นพระ อ, องค์นั่งสมาธินายโสธิยะนาญาคาผ่านมาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพังอยู่ที่โคลนต้นโพที่พุทธคยา นายโสธิยะก็ได้นํายาคามอบให้8กดกำมือจากนั้นศรีธะท่านได้ยาคาเสร็จแล้วทั้งหมดเกลี่ยลงที่โคลนต้นโพเป็นอาสนะเป็นที่นั่งจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งที่อาชนะหันพระพักเรืวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกพอนั่งเตรียมตัวนั่งพระองค์ก็ขึ้นนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพราะจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเพราะไม่ให้ทรงจิตกระซับกระสายไปข้างนอกมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองเมื่อจิตใจรวม สงบแล้วนะพระองค์ล้ำลึกชาติทวนหลังได้ยกว่าปุเพเนวาสานุสติยานละำลึกชาติทวนหลังได้ เ, เกิดยา น, านัชณะล้าลึกชาติทวนหลังได้พระองค์เป็นมาอย่างไรเดียมาถึงจุดนี้อันนี้คือมองพระองค์พอจากนั้นพระองค์ก็นั่งภาวนาอีกตอนถึงเที่ยงคืนก็ลำลึกดูออกไปข้างนอกดูออกไปข้างนอก ไปมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าจตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์อันนั้นคือใครพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดเนี่ยมาจากที่ไหนมาเกิดทุกคนมาด้วยอะไรก็พระองค์ก็มองเห็นอีกว่ามาด้วยกรรมกรรมคือการกระทาถ้าไทยใครทำกรรมดีกรรมดีนั่นก็จะตามสนองมีแต่ความสุขแต่ถ้าว่าใครทากรรมชั่วในอดีตชาติ กรรมชั่วก็จะตามสนองมาเกิดในภพนิชชาที่เป็นบ้าใบาพิกรพิการอาวยัยวะแล้วก็ทำมาค้าขายทกอยาากลำบากเพราะอเนกสงอะไรเพราะกรรมอะไรพระพุทธองค์ก็มองเห็นมองเห็นว่ากรรมชั่วให้ผลอย่างนี้กรรมดีให้ผลอย่างนี้พระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีว่า อกตังดุกตังเส้ยโยปัชชา ต, ตปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลจะให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละอันนี้คือพระองค์มองดูกรรมคือการกระทําสําหรับพวกเราทุกๆท่านต้องมีการใช้กรรมไม่ใช่พรมลิขิดไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนที่จะประสิตประสาทให้ พระองค์บอกว่ากรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นพวกเรารู้แล้วว่าทํากรรมสิ่งไหนไว้สิ่งนั้นจะตามสนองแต่เอาเถอะเรารู้ว่ากรรมอดีตกรรมนั้นเรามองไม่เห็นเราให้มองเห็นในกรรมปัจจุบันนี้ก็แล้วกันกรรมปัจจุบันนั้นคืออะไรสมมติว่าคนลูกของเราหลานของเราจะเป็นใครก็ตามที่เรารู้เราเห็นเด็กคนนี้เกิดขึ้นมาแล้วขี้เกียจเรียนหนังสือ เอลเลไม่เอาฐานอีกต่างหากเป็นเด็กไม่ดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากับก้าวร้าวขี้เกียจแต่เด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเป็นนิดเด็กดีนิสัยอ่อนน้อมตั้งใจใฝ่ในการศึกษา เ, เรียนหนังสือเก่งรับผิด ช, ชอบอีกต่างหากนี่แหละถ้าเรามองดูแล้วว่ากรรมของเด็กการกระทาของเด็กในปัจจุบันนี้เป็นยังไง ถ้าคนกรรมของเขาสมัยเป็นเด็กเขาขี้เกียจแล้วเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาจะได้ดีได้ดีไหมในคนที่ขี้เกียจก้าวร้าวมีแต่เขามีหนทางที่จะไปสู่คุกสู่ตารางจะมากกว่าแต่ถ้าว่าเด็กคนไหนเป็นเด็กดีเด็กคนนั้นก็จะไปสู่ความเจริญได้เพราะอะไรเพราะกรรมคือการกระทําเขาทําดีในปัจจุบันตั้งแต่เขาเกิดมานี่แหละ เรามองเห็นแล้วว่าการทำกรรมดีทานการทำกรรมชั่วเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็มองเห็นแต่ถ้าว่ามองเห็นอี ก, อกในอดีตชาติอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่าเราตถาคตเนี่ยตั้งความปรารถนามายาวนานแต่ไได้รับพยากรเมื่อพระเจ้าทีปังกรพ ย, พยากรกับสุมเมธาดาบทสมัยนั้นเราเป็นสุมเมธาดาบท เ, เป็นฤาษี แต่พระพุทธเจ้าทีบังกรพยากรณ์ให้กับเราเราจึงได้บําเพ็ญมาจนถึงได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสรุปแล้วทุกวิญญาณทุกคนมีที่ไปที่มามีกรรมเป็นเครื่องดําเนินเป็นเครื่องให้ผลถ้าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะให้ผลถ้าทํากรรมชั่วกำรรชั่วก็จะให้ผลนี่แหละ อันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของ พ, พระพุทธเจ้าพอถึงจวนสว่างพระพุทธองค์ก็ได้บําได้พิจารณาว่าใจดวงนี้นะ่ะที่มาท่องเที่ยววกวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี้มาจากไหนไปยังไงมาอย่างไงทําไมจึงได้มารับทุกข์อย่างนี้พระธองค์ก็ย้อนย้อนย้อนดูว่าใจดวงนี้มาจากไหนท่านย้อนไปเห็นแต่อวิชชาอาวิชชาคือความโง่ อวิชชาปั จ, จยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปั จ, จยาวิญญาณังจนถึงโสกะปริเทวทุกขโ ท, โทโมณ ส, สุปายาตใจดวงนี้มาจากความโงค่คืออวิชชาจนมาถึงบัดนี้ถึงความร้องห่มร้องไห้พิไรรำพันทุกยากอย่างนี้เพราะว่ามาจากตัวอวิชชาแต่เราจะแก้ไขยังไงที่จะทําให้จิตใจดวงนี้ไม่วกปนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารอีก มันมีอะไรพระพุทธองค์ก็ได้กันกลองไตรตรองด้วยพระปัญญาของพระองค์ด้วยญาณของพระองค์ด้วยพระบา ร, รมีของพระองค์ก็มองเห็นว่าเพาะกิเลสในใจกิเลสตัวไหนกิเลสราคะโทสะโมหะโลภะ อ, อยู่ในใจแล้วจะชำระด้วยอย่างไรจึงจะชำระใจตรงนี้ออกหมดจดจากกิเลส พระพุทธองค์ก็ใช้ตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาคือมรรคแปดเนะีมา ก, กลองไตรตองมีสัมมาทิธฐิเป็นเบื้องต้นมีสัมมาสมาธิเป็นสุดท้ายจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวันเดือน6เพนนนับจากวันนี้ไปก็เป็น 2,556 ปีให้หลังนะเพราะนั้น หลักของพุทธศาสนานมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลความเป็นมาของพระพุทธศาสนานที่ท่านบาเพ็ญบอกกล่าวกันมาแต่นี้พูดถึงพุทธประวัติก็ไกลเกินไปสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายในยุคนี้สมัยนี้ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นหลักแล้วจากนั้น หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาจากนั้นท่านก็สอนลูกศิษย์ของท่านมีหลวงปู่เทศหลวงปู่พรมหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่ามีครูบาอาจารย์ต่างเยอะแยะที่หลวงปู่มั่นแนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ของท่านจากนั้นพอหลวงปู่มั่นท่านจากไปเท่าที่าท่านมรณภาพลงลงไป ที่ท่านเป็นผู้แนะนำสั่งสอนสิทธยาณุสิทธิ์ตลอดสิทิ์สิทธยาณุสิทธิ์ของท่านที่ได้จากไปมีหลวงตามหาบัวเป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์มากมายหลายองค์พอท่านจากไปอธิธฐานของท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้รู้ได้เห็นตามหลักธรรมคำสอนถ้าว่ากระดูกของท่านผู้ใดได้เป็นพระธาตุอันนั้นคือกระดูกของพระอรหรันต์อ่า พอนั้นพวกเราน่าจะตายใจน่าจะเชื่อน่าจะนับถือเลื่อมใสในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เทศนาและอบรมพวกเรานะับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากถ้าจะคิดในแง่ความโชคดีเพราะเราได้เกิดมาในพพนิชชาตินี้ยังได้ทันเห็นพระอรหันต์ท่านผู้หมดจดจากกิเลสท่านได้แนะนาสั่งสอนพวกเรา พวกเราน่าจะภาคภูมิใจอย่างมากแล้วเราต้องมองดูเราเอแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรแต่หลวงปู่มั่นเรายกหลวงปู่มั่นเป็นประมาจานหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราแต่ว่าสายอื่นองค์อื่นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ถูกต้อง เราไม่ได้ปลามาท่านแต่ละองค์หลวงพ่อเปรียบเทียบกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์การประพฤติปฏิบัติของท่านเหมือนกับการทํามาหาเลี้ยงชีพการเสาะแสวงหาทรัพย์การเสาะแสวงหาทราัพย์ไม่ใช่ทํางานอย่างเดียวก็ได้เงินมาไม่ใช่ต่างคนก็ต่างหาตามหลักวิชาของแต่ละท่านคนหนึ่งก็กีดย่าง ก็ได้เงินไปขายยางก็ได้เงินคนหนึ่งขายข้าวโพดก็ได้เงินคนหนึ่งขายมันสำปะหลังก็ได้เงินคนหนึ่งขายน้ำมันก็ได้เงินคนหนึ่งทำเป็นข้าราชการครูตำรวจทหารพิพากษาอายการถ้าจะนับเรียงดูแล้วการหาเงินของพวกเราท่านทั้งหลายก็มีมากหลากหลายแต่ก็ได้เงินด้วยกันทั้งหมดเพราะนั้นเวทีการปฏิบัติของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ อย่างยกหนอพองหนอก็ทุกมโนมิจิคือกำหนดดูจิตใจตัวเองก็ทุกการเคลื่อนไหวการดูเวทนาการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ทุกองค์ไหนพูดถูกหมดเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าท่านวางกรรมฐานไว้40อย่างอนุสติ10สสำหรับให้พุทธบริษัทของพระองค์ประพฤตปฏิบัติ แต่ว่าเราศึกษาได้ยินแนวแถวสายหลวงปู่มั่นขณะนี้หลวงปู่มั่นท่านสอนชัดเจนวิธีการเดินมักแล้วก็กวิธีการเดินวิปัสสนาทั้งสมัตและวิปัสสนาได้ชัดเจนองอื่นเราก็ศึกษาเราก็เคารพนับถือเริ่มใสแต่ว่าเรามอบความไว้วางใจกับ หลวงปูค่ครูบาจารย์ของพวกเราเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้นําแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาจารย์สายหลวงปู่มั่นมาแนะนํามาบอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่สดใจใฝ่ธรรมะให้ศึกษาดูซิสายนี้สายหลวงปู่มั่นแล้ววิธีการปฏิบัติของท่านทําอย่างไรแล้ววิธีเดินปัญญาของท่านท่านทําอย่างไรท่านจึงได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระาธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้พวกเราที่เป็นสิทยิอนุสิทธิลูกหลานน่าจะภาคภูมิใจอย่างมากที่พวกเราได้เป็นได้ศึกษาแนวปฏิปทาของท่านแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายศึกษาสายอื่นก็ใช่สายอื่นเราก็ศึกษาแต่ว่าหลวงปูมั่นที่พวกเราได้ศึกษานี่ ทีเดพวกเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ชัดเจนที่ท่านแนะแนวหลวงปูมั่นท่านใช้กรรมฐานสองอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังว่าท่านกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเขา้าหายใจออกแต่หลวงปูมั่นท่านบอกว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกมันหลุดได้ง่ายควรจะบริกรรมพุทโธ สำทับเข้าไปด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธจะเป็นสองสมาธิใจของเราจะยึดในพุทธโธด้วยและลมหายใจเข้าออกด้วยจะทำให้จิตใจของเราไม่หลุดไปง่ายอันนี้ก็คือหลวงปู่ม่านท่านบอกกล่าวสอนสิทธยาฤทธิ์ของท่าน อากนั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรามีหลวงปู่ล่าเป็นตน้นมาสอนหลวงพ่อท่านก็สอนให้ภาวนาอย่างนี้นะหลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงตาก็เหมือนกันหลวงปู่ฟันเนี่ยเน้นหนักเรื่องพุโทโธให้ภาวนาพุโทโธกําหนดลมหายใจเข้ามีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะนี่แหละคือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของพวกเราสายหลวงปู่มั่นของพวกเรา แล้วก็ลงตาท่านก็ยืนยันอีกว่าสมัยก่อนเมื่อท่านเรียนหนังสือจบใหม่ท่านก็ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะทำอย่างพระพุทธที่ท่านได้บอกเพนท่านว่าหลุดง่ายจากนั้นหลวงปู่มั่นแนะนำท่านให้บริกรรมพดโทด้วยท่านก็บอกว่าตั้งใจเอาอย่างที่หลวงปู่มั่นสอนเพราะหลวงเราเชื่อในหลวงปู่มั่นเวลาหายใจเข้า บริกรรมพหายใจออกบริกรรมโถเวลาก้าวเดินขาขวาพดขาซ้ายโถเวลาปัดกวาดเวียงขวาพดเวียงซ้ายโถสรุปแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะในทุกริยบทในการภาวนานี่แหละท่านบอกว่าการที่จะทำอย่างนี้หนักมากหนักมากสำหรับการภาวนาหนักกว่างานภายนอกเป็นใด เพราะบังคับจิตใจให้อยู่กับสมาธินี่แหละจากนั้นก็ไม่เหลือวิสัยอพอต่อมาจิตใจของท่านไม่ 3- ส, สวันท่านเองเอพอท่านบังคับใจจากนั้นท่านรู้ได้ด้วยตวนเองว่าไม่เสื่อมตั้งแต่บัดนี้ไปใจของเราจะไม่เสื่อมจะไม่หลุดอีกแล้วะจะไม่ทะเลถลายอีกแล้วจิตใจของเราจะเป็นสมาธิอย่างมั่นคงอันนี้ก็คือหลวงตาท่านยืนยันให้กับพวกเรา จากนั้นเท่ากับใจของท่านท่านนั่งสมาธินั่งตลอดทั้งคืนก็ยังได้อันนี้คือลงตามหาบูในเมื่อเรานั่งสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจของพวกเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเหมือนกับอย่างที่พระพุเทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวตัดเอาไว้สมาธิมีอยู่สขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิ สมาธิมีอยู่สามขั้นในเมื่อใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งสติเป็นอันไดจิตเป็นนั้นจิตเป็น อ, น, น, น, น, อนใดสติเป็น น, นั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้เรียกว่าวจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตรวมสงบพอจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านี้หละเราจะหายสงสัยในธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าที่ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่หรือตายแล้วศูนย์ในเมื่อจิตสงบรวมสงบลงอย่างนั้นแล้วออที่พระพุทธเจ้าที่แทนว่าเมื่อจิตพัฒน์ใจของพวกรวมสงบเกิดญารณรัตนะเกิดฌานลำเลึกชาติทนหลังได้แต่บัดนี้พวกเราพอนั่งสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งสติเป็นอนใดจิตเป็นนั้นเห็นได้ชัดด้วยตนเอง เ, ออเราจะเห็นว่าร่างกายกับใจนี่เป็นขนละอันกันเป็นขนละอันกัน ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนก็คือร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถกายกับใจอาศัยกันอยู่อันหนึ่งรูปประมคือร่างกายนามธรรมาคือจิตใจอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกาย ท่านให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่ารถในหลักธรรมคาสอนท่านให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่ามากกว่าตัวรถตัวรถกคือรูปประธรรมโซเฟอร์นี่นามธรรมรถคันนี้จะวิ่งไปในที่ไหนได้ต้องอาศัยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์มีมารยาท ด, ดีได้รับการอบรม ศีลธรรมจริยธรรมที่ดีในเมื่อขึ้นไปขับรถไปเห็นคู่คนไปเห็นสัตว์โชเฟอร์ก็จะต้องเบรกจะต้องระมัดระวังพเพราะไปเหยียบสัตว์อื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนเวลาจะบีบแตรก็จะไม่ให้คนอื่นรําคาญปีความจําเป็นจริงเราจะค่อยบิดแตร์ให้คนหลีกหนีหรือสัตว์หลีกจากถนนหนทางที่ตัวเองจะไป อันนี้คือโซเฟอร์นิสัยดีต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโซเฟอร์นิสัยจะดีต้องได้รับการอบรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแต่ถ้าว่าโซเฟอร์ไม่ได้รับการอบรมโซเฟอรอ์โกเกเลอีกต่างหากเป็นนักเลงหัวไม้อีกต่างหากไปยอมฟังใครอีกต่างหากาไม่เชื่อบาปเชื่อบุญอีกต่างหากเห็นแก่ตัวอีกต่างหากามีมากลากหลายฉเฉลบสรุปแล้วก็คือ โซเฟอร์เป็นคนไม่ดีโซเฟอร์เป็นคนชั่วพูดง่ายๆแล้วเป็นยังไงการเป็นอยู่จะหาความราบรื่นไม่ได้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญอย่างที่ว่ามโนปุพังคมาธรมมามโนเสรษฐามโนมายาให้ความสําคัญใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ เรียว่าให้ความสําคัญโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจะรถจะไปที่ไหนโซเฟอร์ต้องเป็นผู้ขับนําไปนี่แหละตอนนี้เรามารู้แล้วว่าร่างกายกับใจเนี่เป็นเป็นคนละอ่านกันเพราะพุทธเจ้าให้ความสําคัญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสําคัญเรื่องของใจคือมโนปุพังเขงมาธ ร, รมามโนเสถามโนบายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วรวยใจเพราะนั้นใจจะต้องได้รับการอบรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าไปแต่นี้เรามานึกย้อนดูสิว่าถ้าหากว่าใจดวงนี้ได้รถคันนี้มาคือร่างกายของเรามาจากท้องแม่ขับรถออกมาจากอู่คือท้องแม่เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้ ใฝ่ใจในการสร้างบุญสร้างกุศลขับรถไปเที่ยวตะเ ล, ต ะ, เลตะลอนไปเรื่อยอกินเหล้าเมายาสมะเลยเทเมาไปเรื่อยไม่ได้สนใจถ้ารถคันนี้หมดสภาพเพราะรถคันนี้มันหมดสภาพเหมือนกันนะพราะรถขนาดรถเหล็กน ะ, ะรถยี่ห้ อ, อไหนก็ตามถ้าเราออกมาเนะี่ยถ้าใช้ไปสิบกว่าปีแล้วนะมันหมดสภาพนะ แต่ร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันทนเหลือเกินทำไมจึงว่าทนเห็นไหมพวกเราท่านทั้งหลายบางคนเกิดมาจากพ่อจากแม่แล้วอายุถึง8 90, ปด0บปีกลางคืนก็ไม่เคยดับเครื่องเลยไปที่ไหนๆก็ติดเครื่องอยู่ตลอดขนาดนอนหลับก็ยังหัวใจก็ยังเต้นอยู่ตึกตกอยู่ตลอดแต่รถของเราเนี่ยเราวิ่งไปถึงที่แล้วเราจอดไวเห็นไมไม่มีใครติดเครื่องรถไวเลย แต่ขนาดนั้นก็นได้เพียงเจด7ปดปีเกปีเท่านะั้นหมดสภาพแต่ร่างกายของเราเนี่ยถ้าว่าไม่มีอุปสรรคมันอยู่ได้นานแต่ถ้าเว้นเสียแต่อุปสรรค์มีก็อย่างที่ว่าเพราะเหตุอะไรรถออกมาใหม่ๆตายก็มีตั้งเยอะแยะไปาสายผ่านขาดอะไรผ่ามันผิดปกติของมันยิ่งรักษาไม่ดีน้ำมันมันหมดน้ำมันเครื่องแห้ง อย่างนี้เป็นต้นเรือมันล่วดจุดไดจุดหนึ่งรถคันนั้นก็เสียได้ง่ายนี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเท่านทั้งหลายในขณะที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะตายแล้วไม่สูญตายเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงบาปบุลคุณโทษมีจริงเพราะนั้นสายของ พ่อแม่ครูบาจารย์หลวงปูล่ลาศท่านสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป็นเนนน้อยท่านบอกว่าท่านก็สอนแบบสอนแบบคนไม่รู้เด็กท่านก็สอนเออเนนเมื่อเจ้าเข้ามาแล้วก่อนหลับนอนเจ้าไหวพระก่อนหน้า สุดแท้แต่ว่ายนี่ไหวอย่าง น, นี อ, นน อ, นนอนหรหังสวาคาโตสุปฏิปโนนโมตสสะพุทธังธรรมบางสังขังอาหารสุกิโตโหมิทำไม่ได้อหรหังก็เอาให้ปโนมือคึทิศในใจข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้า ต้องการอย่างที่ข้าวไปเจ้าปรารถนาด้วยเทินอ่า อ, อันนี้คือเราไหว้พระก่อนก่อนนะหันศีรษะไปทางหมอนที่เราจะนอนหลวงปู่หลาท่านสอนนะจากนั้นพอไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นั่งคัดสมาธิพอนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้ปนมมือปน ม, มือไหว้ครูซะก่อน คือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าการภาวนานไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้สอนคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิให้ไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนปนมมือขึ้นระหว่างอกพุทโธธรทรมโมสังโฆพุทโธธรทรมโมสังโฆพุทโธธรทรมโมสังโฆสจบจากนั้นเอามือลงเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุท หายใจออกบริกรรมโธหายใจเข้าพุดหายใจออกโธพุดโพทโพดโธพดโทแต่ถ้ามันยังสลับออกไปมันเผลอออกไปเออมันรู้ออกไปไหนแต่เผลออบดึงกลับมาคืนมาอีกเอพอมันออกไปดึงกลับคืนมาอีกให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกแต่บางท่านบางคนไม่รู้ว่าลมเข้าออกเพราะไม่เคยปฏิบัติ ให้หายใจแรงๆลงปู่ดอันสอนหายใจแรงๆหายใจเข้าเฟิรตแล้วก็กระแทกลบออกเฟึรหายใจเข้าฟึดหายใจออกมันรบกวนกระทบที่ไหนเอาสติจับอยู่ตรงนั้นที่ปลายจมูกนั้นให้ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าพดหายใจออกโทถ้ามันเผลอไปดึงเอามากลับไว้ที่เก่าหายที่ปลายจมูกถ้ามันเผลอมากๆทดลองดูอีกนะ อีกอย่างหนึ่งให้บริกรรมพุทโธพุทโธให้ทีขณะจิตของเรามันคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้สำทับบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธในตรงที่มันมันคิดมันปุ่งนั่นแหละให้บริกรรมให้ทีจุดนั้นอย่าให้มันมีช่องว่างอย่าให้มันหลุดไปที่อื่นอันนี้ก็ได้แต่หลวงพ่อก็แนะนําอีกว่าทดลองดูนะการณ์ัตยาธิษฐโยมลูกหลานเวลาหายใจเข้าให้เราเพราะมัน เราชํานาญในการนับหายใจเข้าเรานับ1หายใจออกนับสองหายใจเข้านับ3นับ4นับ5้านับหนับ7ถึงร้อถ้ามันไม่เผลอกับนับ1นับหนึ่งใหม่นับหนึ่งนับหนึ่งคืออะไรนับก็คือหายใจเข้านับ1ก็คือเลขขี้หายใจออกเลขคู่คี้คู่คี้คู่คี่้คู่ไปถึงร้อยถ้าไม่เผลอแสดงว่าเรามีสติ ถ้ามันจะเผลอเนี่ยเวลาหายใจเข้าเป็นเลขคี่หายจะออกเป็นเลขคู่ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอเบอร์จากนั้นหายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขคี่ะแสดงว่าสติเราขาดแล้วต้องตั้งต้นใหม่อีกแต่ถ้าว่าเราสังเกตดูตัวของเราเองนับไม่ถึง10ขาดไปรู้ว่ากี่ครั้งแสดงว่าสติของเราย่ำแย่ไม่ควรจะไว้ใจ เป็นอัลเจเมอร์ได้ไง่ายๆเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะคนขาดสติถ้าเมื่อเท่าแก่ชราบานแล้วเราจะทํำยังไงถ้ามันเผลอเลย อ, อย่างนี้ <S <S เพราะฉนั้นเราต้องพยายามฝึกสติให้เข้มขึ้นไปกว่านั้นดีกําหนดลมหายใจเข้าเออนับหนึ่งหายใจออกนับสองจนไม่เผลอจากนั้นนับเออถึงสิครั้งแล้วจึงค่อยกําหนดลมหายใจเข้าพุายใจออกโถต่อไปนี่แหละวิธีการ จากนั้นเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วนั่น เ, <อ>เราจะรู้ได้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอ่านกันจากนั้นเราก็บําเพ็ญกุศลเข้าสู่จิตใจไม่ตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่จะเป็นบุญคือกุศลเราก็พยายามทําอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นว่าตั้งแต่ว่ายพระสวดมนต์ตั้งแต่ งดอบายยมุกนั่งภาวนาตักบาตรล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้ามากกว่านั้นก็เนี่ยเรามีพ่อมีแม่ในพรรษานี้เราควรจะไปกราบพ่อแม่กราบคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อทรงท่านทําบุญอุทิศในวันนี้นี่แหละท่านลําลึกถึงถึงพ่อของท่านจะจากไปแล้วท่านก็ยังลําลึกถึง เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวดกุศลให้ท่านเนี่ยนคำนี้แหละที่หลวงพ่อทรงของเราท่านไม่ลืมพ่อคุณเพราะว่าร่างกายของเราตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ศีรษะจดเท้าเราได้มาจากพ่อจากแม่ ในเมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วสิ่งไหนที่เราจะทดแทนพระคุณท่านได้ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือบุธทธิดาทั้งหลายควรจะสำนึกไว้ในใจแต่ถ้าว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตโย่หลวงพ่อแนะนำทั้งพวกเราท่านทั้งหลายทุกวันนี้พอหยุดเสาอาทิตย์ว่างๆนู่นไปเที่ยว ห้างสปปรรพสินค้าไปตีก๊อฟไปตีไก่ไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ตามไม่จริงวันจุดวันว่างพ่อแม่ เ, เอาเถอะนอกพรรษาเราก็ไม่ว่ากันในพรรษานี่ยวันเสาร์เราควรจะไปกราบไปไหว้ไปดูแลพ่อตาแม่ยายว่าขาดเหลือขาดตกอะไรพ่อตาแม่ยายกลัวจะเลี้ยงเอาอาหารเอาเงินไปถามสารสุขสุขดิบพ่อตาแม่ยาย พาลูกไปแต่พอวันอาทิตย์พาลูกพาเมียไปหาปู่ย่าคือฝ่ายพ่อแม่ของฝ่ายผู้ชายเป็นปู่ย่าพาลูกพาลูกของเราไปแสดงความเคารพไปดูว่าขาดเหลือขาดตกอะไรในการเป็นอยู่ของปู่ย่าของเราวันเสาร์ไปดูตายายพอผึ่งวันอาทิตย์ก็ไปดูปู่ย่าดูสารถุกสุกดิบ สิ่งไหนที่ลูกจะได้ช่วยปพ่อตาแม่ยายปู่ย่าอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของเราให้เคารพผู้ใหญ่วัยวุฒิคุณวุฒต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชราลูกของเราก็จะเ ด, เดินตามแนวแถวที่เราวางเอาไว้เพราะว่าพ่อแม่พาไปกราบไหว้ปู่ย่าตายายไปถามสารถุสุกดิบ ไปช่วยเหลือปู่ย่าตายายต่อมาเขาจะมีลูกมีครอบครัวเขามาเขาก็จะรองลึกลำลึกถึงพ่อแม่ของเขาเพราะพ่อแม่พาดำเนินมาพาดูปู่ย่าตายายอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นการสืบทอดวงสกุลไปนานเท่า น, านั้นแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดจุดนี้นะไม่ได้สนใจพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีจะพา สนุกสนานไปเพลิดเพลินไปเรื่อยไม่ได้สนใจอพอเราเท่าแกชรลาเขามีครอบมีครัวแล้วเขาก็จะต้องเดินตามที่เราพาดําเนินเพราะนั้นเราไม่ต้องเสียใจพอเราพาเขาทํามาอย่างนั้นแล้ว เ, เ, เขาก็ต้องปฏิบัติตนอย่างนั้นแต่ถ้าว่าเราทําดีทุกอย่างเราทําดีแต่เขาไม่ปฏิบัติตามเออนั้นเราควรจะตําหนิเออลูกแม่ไม่เคยพาทําอย่างนั้นนะพ่อแม่ไม่เคยทําอย่างนั้นนะพ่อแม่เคยพา ลูกไปเยี่ยมปู่ย่าตายายไม่ใช่เหรอเพียงแค่นั้นเขาก็สํานึกได้แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านอยากจะให้ลูกดีลูกหลานดีก็ต้องทําดีให้ลูกหลานดูอยากจะให้ลูกศิษย์ดีก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ดูอยากให้บริวารที่อยู่ใกล้ของเราเป็นคนดีแล้วก็ต้องทําดีให้บริวารของเราดูนี่แหละ สิ่งที่มันไม่ดีเราอย่าทาถ้าทำไปแล้วลูกน้องบริวารก็ปฏิบัติเอาตามอย่างที่เราพาดําเนินพาธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องดําการดําเนินชีวิตทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็คือการดํารงชีพการสาะแสวงหาทรัพย์การวางตัวให้ถูกต้องกับโลกสมมุติแต่ส่วนทางธรรมก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูด ส่วนทางธรรมคือความคิดเห็นส่วนตัวไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาทาจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราไปได้ทั้งสองทางท้งโลกเราก็ไม่ขาดตกปกพ่องทางธรรมเราก็ทาปฏิบัติธรรมหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะว่าตายแล้วไม่สู่ตายแล้วเกิดอีกถ้าพวกเรา ไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีแล้วพวกเราคิดดูให้ดีเลเมื่อโจรเจียนสุดท้ายเราจะลําลึกถึงอะไรคุณงามความดีเราก็ไม่ได้ทำไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไม่ได้นั่งภาวนาไม่ได้ว่ายพระสวดมนต์ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีมีแต่คิดทางอยู่หาอยู่หากินเป็นวันๆพวกเราคิดดูให้ดีบางคนเขาว่าข่าเนี่ยเสาะแสวงหาทรัพย์ลํารวยขึ้นมา นี่แหละเลิ่อประเสริฐกว่าชุมชนสังคมใช่เลิ่อประเสริฐจริงแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกท่านไม่ได้ยกย่องว่าคนที่โสแสวงหาทรัพย์มาแล้วไม่เจอจานไม่ทําบุญว่าเป็นคนเลิ่อประเสริฐพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายของเรานี่ยถึงจะเลี้ยงดูขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะ อาหารดีขนาดไหนสมบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนใ ห, ให้อาหารให้ร่างกายยาดีขนาดไหนให้ร่างกายผ้านุ่งห่มดีขนาดให้ไหนให้ร่างกายใช้ที่พักพาอาศัยช่างบ้านเรือนให้ที่อยู่อาศัยหรูหาโออาขนาดไหนดีสวยงามขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเลี้ยงไม่เชื่องร่างกายเนี่ย ถ้าว่าอยู่ต่อไปต่อไปถึงจะอยู่บ้านหรูห ร, รูลาลาก็เถอะสวยงามกี่ร้อยล้านก็เถอะต่อไปก็จะเห็นผมขาวผมเงาะต่อมาก็จะเห็นฟันหลุดต่อมาก็จะเห็นหนังเหี่ยวหูตึงหลังคอมนอนอยู่กับหมอนออผลี่สุดถ้าไม่ตายง่ายร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็นเลี้ยงเถอะมันไปถึงจุดอย่างนั้นเพราะนั้นให้ควรจะเอาทำเข้าสู่จิตใจ เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจเอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจถ้าคนมีธรรมในจิตใจแล้วแหมยิ่งได้เป็นภาวนาเข้าไปเห็นเกิดความเบื่อหน่ายเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาสกทาคาพระอนาคาเป็นพระหันอันนั้นเลิศประเสริฐที่สุดในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณะสัตยาธิโยมเกิดมาแล้วได้พบพระธรรมคําสอน ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาศีเบื้องต้นว่าปฏิรูปเทสวาโซจะปุเพจักรตะปุญยาตาอัตสัมมาปณิธิปฏิรูปรเทสว่าโซจ ะ, จ ะ, ะ, ะ, ะ, ซจะคล้ายๆเราเกิดในประเทศอันสมควรประเทศที่เหมาะสม เ, ะเป็นประเทศที่ธรรมชาติไม่ฆ่าพวกเรามากน้าใหม่ท่วม อายุไม่ถลม่มอย่างหนาวก็ไม่หนาวเกินไปร้อนก็ไม่ร้อนเกินไปเป็นประเทศที่ในโลกนี่ว่าเป็นประเทศที่น่าอยู่ประเทศหนึ่งในดินฟ้าอากาศนี่ว่าปฏิประเทสวาโซจะถ้าเราศึกษาในต่างประเทศเธรรมชาติเนี่ยค่าคู่คนมากในต่างประเทศแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีที่จะเป็นธรรมชาติล่องมรสุมไม่พัดผ่านค่าคู่ค่าคนเหมือนต่างประเทศเขา อันนี้ก็เป็นปฏิรูปรเทสวะโซจ่ปุเพจากตะปุญยตาพวกเราคงจะได้สร้างสั่งสมบุญกุศลไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดอย่างประเทศอย่างนี้อย่างประเทศไทยได้พบพระพุทธศาสนาเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรอาหารการบริโภคถ้าเราไปเกิดอย่างอัฟริกาหัวโตๆโตท้องใหญ่ๆขาเรียบๆน่อย จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงอันนั้นแปลว่าเราเกิดผิดที่ผิดทางอันนี้เรามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้พบาพระพุทธศาสน า, ศาได้พบความอุรมสมบูรณ์นี่แหละปุเพจักตะปุญจตาพวกเราคงได้ทำบุญไว้ในอดีตจนมาเกิดอย่างนี้แล้วมาเกิดอย่างนี้แล้วพวกเราอย่าเผลอเรออย่าตั้งอยู่ในความประมาท ถ้าเกิดในประเทศที่ดีแล้วก็กินเหล้าเมายาไม่ได้สังสมคุณงามความดีอันนั้นตั้งอยู่ในความประมาทถ้าเราทำอย่างนั้นเราปฏิบัติตนอย่างนั้นท่านจึงย้มอีกว่าอัตตะสัมมาปณิธิให้ตั้งตนไว้ชอบเราเกิดมาอย่า ง, างนี้แล้วเป็นบุญแล้วที่เรามาเกิดในพบพระพุทธศาสนาได้พบพื้นแผ่นดินไทยได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ อาหารการบริโภคไม่เดือดร้อนขุนเคืองเราควรจะตั้งตนไว้ชอบออคืออย่าไปกินเหล้าเมยายาสมเนไเทเมา อ, อย่าไปเป็นคนชั่วพูดง่ายๆคิดอะไรอย่าไปคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วให้คิดดีทำดีพูดดีพวกเราจะมีแต่ความเจริญงอกงามมีแต่ความสุขกายสบายใจเพราอตายแล้วไม่สูญ อ, อ, อย่างที่ว่า ที่ลุงพ่อยกขึ้นบ่อยมากนะว่าอักตังทุกตังเสอยู่ปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วกรรมชั่วคำนี้คือคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะเมื่อเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วแล้วกรรมชั่วนี่จะตามให้ผลติดตามให้ผลตนเองจะเดือดร้อนตลอดไปเมื่อภายหลัง เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านวิธีการปฏิบัติให้ต้นวิธีการนั่งภาวนาหลวงพ่อก็ได้บอกแนะแนวบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อมั่นใจว่าที่หลวงพ่อแนะนี่ไม่ผิดแต่ถึงยังไงก็ตามที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นทั้งหมดพวกเราอย่าพึ่งอย่าเชื่อให้ฟังเอาไว้ศรัทธามีแต่ก็เอาฟังไว้ก่อน ถ้าหากว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าถ้าหลวงพ่อพูดอะไรให้ฟังพวกเราทั้งหลายเชื่อหมดแสดงว่าพวกเราไม่ได้คิดไม่ได้การกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอยากจะให้พวกเราเป็นอัจฉริยะเป็นม้าอาชนไนเป็นบุคคลที่มีสติปัญญาเป็นคนที่รอบรู้รอบขอบการกรองไตรตรองเหตุและผลไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรก็ไปเชื่อไปตามหมดออไม่ใช่ เราต้องการกองเปรียบเทียบกับหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสาเลบุตรที่เราตถาคตตรัสหรือพูดไปนี้ท่านเชื่อไหมภาษาเิบุตรยังกราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข้าพระองค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังขนาดพระพุทธองค์พูดับะภาษาเิบุตร ยังแบ่งรับแบ่งสู้ให้นำไปปฏิบัติดูก่อนที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวนี่เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังทำคำสอนหรือว่าธรรมเทศนาของหลวงพ่อที่เอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบอกกล่าวหรือเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนำให้กับพวกเราให้พวกเราฟังพอฟังแล้วก็นำไปการกลองไตรตองออจากนั้นเราจึงปล่อยศรัทธาคือความเชื่อ ออกมาไม่ใช่ใครพูดอะไรก็เชื่อหมดเชื่อแบบไม่มีเหตุมีผลศรัทธาเนี่ถ้าเชื่อไปแล้วตกนรกก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคําว่าศรัทธาศรัทธาคํานี้นะ่ยไม่ใช่ว่าเชื่ออย่างเดียวเราไปสวรรค์ไม่ใช่น ะ, ะเชื่ อ, อไปในทางที่เขาบอกแนะนําไปในทางที่ผิดแล้วก็ไปเชื่อเขาพอเชื่อเขาเท่านั้นแหละมันผิดที่ผิดทางมันไม่ใช่ทางตกนรกในง่ายๆอย่าง พระเทวทัตชักชวนให้พระสงฆ์แตกออกจากพระพุทธเจ้าพระพระองค์บอกว่าไปบอกโมกขาลาสารดบุตรไปแนะนําพระสงฆ์ห้ารอรูปที่พระบวชใหม่นะให้เขาเข้าใจนะเอาคืนมาให้หมดซะถ้าไปเชื่อพระเทวทัตแล้วพวกนี้จะไปนรกด้วยกันทั้งหมดเอนี่แหละคําว่าเชื่อคํานี้นะขอให้พวกฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านการเชื่อต้องมีเหตุต้องมีผลต้องศึกษา ให้เข้าใจอย่างทุกวันนี้มีมากหลากหลายตามสื่อต่างๆรักประโคมข่าวไม่รู้ว่าอะไรตมิอะไรหลวงพ่อเนี่ยเป็นห่วงเหลือเกินเป็นห่วงลูกหลงหลานห่วงคณะสัตย า, า ญ, ญาติโยมกลัวจะไปติดร่างของเขาเขาบอกยังไงก็ให้ไปตามนั้นเหมือนกับม้าเมืองลำปางเหมือนม้าอินเดียพวกเราเคยเห็นไปอินเดียไหมเคยไปเมืองลำปางไหม เขาจะมีอะไรป้องตามมานะ่อไม่ให้มันเห็นข้างนอกให้มันเห็นแต่เฉพาะทางเ อ, อ่จากนั้นก็เขาจูงไปทีเดีก็ไปตามที่เขาจูงเอาไปถ้าหาว่ามองเห็นที่อื่นไม่ได้ตอนนี้หลวงพ่อไม่อยากจะให้พวกเราเป็นม้าเมืองอินเดียม้าเมืองลําปางให้เป็นม้าอัจฉริยะเ อ, อ่เปิดกว้างมองดูจักรวาลอันไหนเป็นอันไหนเปรียบเทียบดีชั่วบาปบุญคุณโทษ หลักพระธรรมวินัยเป็นยังไงศีลธรรมเป็นยังไงถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยไหมที่การกระทําอย่างนี้ผิดถูกต่อหลักพระธรรมวินัยไหมสินสองร้ยยี่สิบของพระเป็นยังไงศินแปดสินห้าเป็นยังไงเพราะพระองค์มีจุดมุ่งหมายอะไรที่จะบําที่บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนอพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายมีสติมีปัญญากลั่นกรองไตรตรองเหตุและผล ทุกคนทุกศาสนาทุกประชาชนมีดีมีชั่วเดียวกันทั้งหมดพูดอย่างนั้นได้พระดีมีไหมมีพระชั่วมีไหมมีครูโรงเรียนดีมีไหมมีครูโรงเรียนชั่วมีไหมมีตำรวจดีไหยมีชั่วมีไหมมีทหารมีไหมมีพี่ภาคษาอียการชั่วดีมีไหมมีรลปแล้วคือโลกเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งชั่ว แต่พวกเราท่านทั้งหลายใชมอมันรู้จักแล้วว่ามันดีมันชั่วมันมีทุกแห่งทำไมเราจึงไม่เลือกอไม่เลือกครบกัลยาณมิตรมิตรที่ดีอ่อย่างพระในครั้งพระพุทธเจา้าครั้งพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาต้นพระพุทธศาสนาคงจะดีหมดทุกอย่างใช่ไหมถ้าดีหมดทุกอย่างก็คงจะไม่มีพระเทวทัต พระในครั้งพุทธเจ้ามีองค์ที่ขนาดพระพุทธเจ้าจะบวชให้แท้ๆก็ยังจะฆ่าพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าแทนอย่างพระเทวทัตก็มีเพราะนั้นในยุคนี้สมัยนี้จะไม่มีพระชั่วเฉลยอย่างนั้นใช่ไหมถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นก็โง่ามากหลวงพ่อว่าโง่ามากไม่ใช่พุทธศาสนิกชนถ้าพุทธศาสนิกชนพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ติใช้ปัญญา คณะท่านถามภาษาริบุตรุก่อนสาราบุตรที่เราตถาคตพูดไปนี่ท่านเชื่อไหมอย่างก่อนพระเจ้าค่ะจนกว่าพระฆ้าพระองค์จะได้นําไปปฏิบัติก่อนจึงจะมากราบถูนเมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะเน่เน่แหละพระพุทธเจ้าทําคําสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้ใช้ปัญญานะคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเพรานะนั้นหลวงพ่อพูดไปท่านนี้นะอย่าเชื่อให้ฟังไว้ก่อนให้การตรองด้วยเหตุและผลเออ ถ้าการกรองด้วยเหตุและผลแล้วอย่ามีทิฏฐิมานะอย่าดันทูลังถ้าดันทูลังแบบไปเชื่อฟังใครนั่นแหะเป็นหนทางแห่งนระกอีก เ, อเขาบอกให้ทางดีแล้วไม่เอาเออย่าทําอย่างนั้นนะอะไปทวงนั้นไม่ได้นะงูจงอางนะอะไฟนะไม่ฟังคําใครตาบอดแค่ข้าไม่มีล็อกเดินไปสิมันตกเหวตกบอก่องูจงอางกัดจริงๆนะไม่ได้ไม่เลือกตาบอดเอเพราะอะไร เราต้องใช้จติตใช้ปัญญาใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าการกลองไต่ตรองด้วยเหตุและผลในเมื่อเราการกลองด้วยเหตุและผลแล้วนั่นละให้ปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพอเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งคดีโลกและคดีธรรมาการกล่าวสมโมทิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระศีะะศรัตนร้ายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเทอญ